เจริญพรท่านสาธุชนผู้ม <ligen> ีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ตรงกับวันศุกร์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2,545 เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้กำหนดไว้ในจิตใจตั้งแต่วันก่อนๆว่าเมื่อถึงวันนี้จะมาที่วัดเพื่อมาประกอบพุทธทางความดีทางเทศฟางธรรมปฏิบัติทางตามสัควรแก่ศรัท ธ, ธาสติปัญญาความสามารถซึ่งเป็นการกระทันที่ จะนำมาสร้างความสุขและความเจริญจึงเป็นสิ่งที่ควรจะกระทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเพราะเปรียบเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจเป็นการทํานุนนรรา่มบำรุงรักษาจิตใจเมื่อให้ต้องถูกถูกความทุกข์ต่างๆมารุ่มเรา้าสร้างความเจ็บปวดสร้างความ <c oughs> ไม่สบายออไม่สบายใจ เพราะความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในชีวิตของเราถ้าเรารู้จักเหตุของความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไรแล้วเราระงรับเหตุนั่นเสียความทุกข์ก็ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเรารู้จักเหตุว่าอะไรที่จะทำให้ ไฟไหม้ถ้ามีไฟมีมีเชือกเพลิไฟไมันก็ติดกันก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการดับไฟเราก็ต้องเอาเชือกเพลิออกจากไฟแยกออกจากกันวิธีหนึ่งที่เราทำกันก็คือเอานะ้ามาราดมาดับเมนะื่อน้าไปดับไฟแล้วเมื่อมันมีไฟเชือเพลิถึงแม้จะมีเหลืออยู่ก็จะไม่ไหม้ต่อไป นี่ก็คือเรื่องของไฟที่มันไหม้แล้วมันก็ดับได้ด้วยน้ําชั้นใดใจของเราก็เป็นก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่มาไหมมาเผาก็คือความทุกข์นั่นเองและสิ่งที่จะดับความทุกข์นั้นได้ก็คือน้ําแห่งธรรมะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั่นเอง ถ้เรานําเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติแล้วเราก็จะดับความทุกข์ที่มีในใจของเราได้เพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะสอนให้เรารู้ว่าเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและจะทําอย่างไรถึงจะดับความทุกข์นั้นได้ความทุกข์ที่เกิดในใจเรานั้นเกิดจาก ความอยากคือตัณหามีอยู่สามได้แก่ภาวะตัณหาความอยากในการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือความกลัวนั่นเองถ้าตราดใดใจของเรายังมีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ในใจ ใจของเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าใจของเราเระงับดับความอยากทั้งสามประการนี้ได้แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยบางท่านก็อาจจะคิดว่าคนเราถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะอยู่ได้หรือเพราะชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราอยู่ก็อยู่ก็ความอยากนี้ เพราะความอยากนี้นำมาความสุขให้กับเราจริงอยู่เวลาเราอยากแล้วเราได้สิ่งที่เราอยากมาเราก็มีความสุขแต่เราไม่เคยสังเกตดูเลยว่าความสุขที่เราได้มานั้นเป็นความสุขแบบไหนมันเป็นความสุขที่สุขชั่วกระเดี๋ยวกระดาวแล้วมันก็จางหายไปเที่อยู่ท่งเหนืออยู่คือความหิวความอยาก ที่จะได้ประสบได้สัมผัสกวาความสุขอย่างนั้นอีกเลยสร้างความอยากให้เพิ่มขึ้นมาอีกและเมื่อมีความอยากเราก็ต้องอเราก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้เราก็ต้องออกไปแสวงหาในสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี้ไปไม่ถีงที่สุดตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราก็ยังมีความอยากอยู่เหมือนเดิมอยากไปเมือม่อเมื่อมีความอยากเราก็ออกไปสวงหาสิ่งที่เราอยากเมื่อเราได้มาแล้วเราก็สงบ ส, สงบตัวอยู่ระยะเนี่ยหลังจากนั้นความอยากก็เกิดขึ้นมาอีก่เพราะความสุขที่ได้จากความในสิ่งที่เราได้จะหามานั้นมันหมดไปความผิวความอยากก็เกิดขึ้นมาอยู่ ความหิวความอยากนี old, ่แหละคือความทุกข์การที่เราไม่สามารถที่อยู่เฉยๆได้ทั้งที่ร่างกายของเรานั้นก็มีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างร่างกายของเราก็มีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่ร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียารักษาโรคแต่ทําไมเราถึงอยู่เฉยๆไม่ได้ เราทำไมจะต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราทำไมต้องไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโภถพะชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเรายังมีความอยากอยู่และเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจของเรานั้นถึงอยากอยู่เรื่อย แล้วทำยังไงถึงให้ใจของเราไม่อยากได้อย่างไรก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่หลังจากได้ปฏิบัติธรรมทดสอบวิธีการดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆมาคนในที่สุดก็ค้คนค้นพบสัจธรรมความจริงว่าจิตจะหายอยางได้ก็ต่อเมื่อจิต หยุดนิ่งคือรวมลงสู่ความสงบถ้าตราบใดจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบจิตก็จะมีความหิวมีความกระหายมีความอยากไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นไปตลอดแต่ถ้าจิตนั้นสงบได้แล้วจิตก็จะไม่หิวไม่อยากเพราะขณะที่จิตสงบจิตนิ่งอยู่นั้นจิตมีความสุข จิตมีความอิ่มจิตมีความพอความหิวความอยากคือตัญหานั้นต้องอาศัยการทำงานของจิตถึงจะทำงานได้ถ้าจิตไม่ทำงานถ้าจิตนิ่งอยู่ไม่คิดไม่โต้กับอะไรปัญหาคือความอยากก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงพบความจริงอันนี้ จึงนำมาสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจให้รู้จักว่าอย่าไปหาความสุขจากภายนอกเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความสุขที่เกิดจากการ<ม>จเจริญราษะลร์สารเสริงก็ตามเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะเหล่านี้ไม่ได้ทำให้จิตสงบ สิ่งที่จะทำให้สงบได้นั้นก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการกระทําความดีการละการกระทำความชั่วและการชําระจิตใจให้สะอาหดหมดจดด้วยการปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาที่จะเข้าไปชําระความอยากต่างๆที่มีในใจ ให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเราตราตรึงาความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นความสุขที่ถาววอนเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่ไม่มีความหิวไม่มีความกระหายอยู่เลยเราก็ต้องหันมาชําระจิตของเราแทนที่เราจะใช้เวลาในชีวิตของเรานั้นมัวแต่ ขวนขวายหาข้าวของทรัพย์สมบัติอทองทองสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเพื่อให้ความสุขกัเราถ้าเราทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่เรายังไม่เข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะดังที่ได้แสดงอยู่แล้วว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายนอกกายนอกใจเรานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับจิตของเราเพราะมันไม่สามารถทําจิตของเราให้สงบให้ยิ่งได้มีแต่จะทําให้จิตของเรากลับมีความอยากเพิ่มพูนมากขึ้นไปเราสังเกตดูเวลาที่เราเกิดมาใหม่ๆ ใ, ในโลกนี้เรามาตัวเ ป, ปล่า เราก็ไม่มีอะไรติดตัวเรามาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เมื่อเราโตขึ้นแล้วเรามีความสามารถที่จะทำมาหากินสามารถที่จะหาเงินหาทองหาสิ่งของต่างๆหาบุคคลต่างๆมาเราก็หามาจากชิ้นหนึ่งก็เป็นสองชิ้นจากสองชิ้นก็เป็นสามชิ้นสี่ชิ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หาบุคคลมาหาบุคคลแรกมาแล้วก็แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาเป็นสี่คือตอนต้นเราก็อยู่ตัวเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราก็มีสามีหรือมีภรรยาแล้วหลังจากนั้นเราก็มีบุตรมีธิดาตามมาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความอยากของเราทั้งสิ้นและเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้ว ความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานั้นมันน้อยลงไปหรือไม่มันลดน้อยถอยลงไปหรือไม่หรือมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเรื่องดีไม่ดีมีมากขึ้นกว่าเดิมเสอีกและนอกจากความอยากแล้วมันยังมีภาระที่มากดงานจิตใจคือความทุกข์ที่เกิดจากความผูกพันเกิดจากความห่วงใยในวัตถุสิ่งของ ในบุคคลต่างๆที่เรามามีมาไว้ครอบครองเพราะเรารู้โดยธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่กับเราในวันนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าอะไรจะหมดไปก่อนไม่เขาก็เราสักอย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องมีการพัฒนาจากกันและถ้าจากใดใจของเรายังมีความผุกพันยังมีอุปทานมีความยึดมั่นคือมีตัณหาความอยากอยากที่ให้สิ่งเหล่านั้นเลิกบุกคคลเหล่านั้นอยู่กับเราต่อไปอีกนานๆเราก็จะเกิดความกังวลใจเกิดความไม่สบายใจเวลาที่ไม่ได้เห็น บุคคลนั้นหรือไม่ได้เห็นสิ่งของต่างๆในที่ที่ควรจะอยู่ที่ควรจะเป็นเราก็จะเกิดความยุ่ตกตังวลขึ้นมาแล้วอย่างเวลาถึงเวลาที่ภรรยาของเราหรือสามีของเราหรือบุตรธิดาของเราจะต้องกลับมาบ้านในเวลานั้นนั้นแต่เมื่อถึงเวลานั้นเขาไม่ได้กลับมา เราก็เกิดความรู้สกเกิดความสงวลขึ้นมาแล้วนี่แหละก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนานาแล้วเกิดความความทุกข์ที่เกิดจากความความความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งนั้นไม่เมื่อไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็มีความทุกข์มีความไม่สบายใจขึ้นมา นี่แหละก็คือโทษของความอยากต่างๆที่เราไปไปติดไปน้องไปมีเข้าถ้าเราฉลาเราจะต้องพยายามลดละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปตามลำดับจนกระทั่งหมดไปในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ ไม่ไม่เหลือวิสัยของพวกเราที่จะกระทำกันได้เพราะพระพุทธเจ้าได้กระทํามาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสามารถเอาชนะปัญหาทั้งหลายที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธองค์ได้และหลังจากที่ได้เอาชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์แล้วก็ทรงนําวิธีที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัตินั้น มาสั่งสองผู้อื่นผู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤตปฏิบัติก็สามารถเอาชนะดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นได้กลายเป็นพระอรหันต์สาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายก็ล้วนเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มาปฏิบัตินั่นเองดังนั้นถ้าพวกเราเห็นโทษของความอยากเห็นว่ามันเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องพยายามลดละความอยากให้น้อยลงไปในเบื้องต้นก็พยายามลดในสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพของเรา เช่นอันใดก็ตามที่เราอยากได้สิ่งใดก็ตามที่เราอยากได้ถ้ามันไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพต่อการทํามาหากินก็ตัดใจเสียเถิด อ, อย่าไปอย่าไปเอามันอย่าไปมีมันคิดสียว่าไม่มีก็ไม่ตายก็ใช้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะค่อยๆสามารถตัดสิ่งต่างๆลงไปได้ จนกระทั่เหนือแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นและสิ่งที่จำเป็นก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่ปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาใัยเครื่องนึ่งหมสยารักษาโรคๆถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็จะสามารถดำเนินได้ไปได้ด้วยปกติและจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงแก่ชราภาพาไป และเมื่อเราสามารถลดละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วในขั้นต่อไปเราก็ยังต้องเข้าไปทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราเพราะว่าถึงแม้เราจะได้ลดละไปแล้วแต่มันก็เป็นเพียงการเบรกความอยากเท่านั้นเรายังไม่ได้เข้าไปทำลายความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเราความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเรานั้น มันจะสูญสลายหายหมดไปได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมคือเราจะต้องฝึกทำสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาความรู้แจ้งหจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมทั้งสองประการนี้คือสมาธิและปัญญาแล้วเราจะไม่มีทาง ที่จะตัดปัญหาความอยากทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกิจที่สำคัญที่จะเป็นสำหรับผู้ที่ปรารถนาการสิ้นทุกข์การหมดทุกข์ในจิตใจจะต้องขวนขวายปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรม เจริญปัญญาเจริญวิปัสนาในเบื้องต้นก็ขอให้เราทรําจิตให้สงบก่อนนี่ก็คือการนั่งสมาธินั่นเองจิตของเราโดย ก, กติจะไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆท่านเปรียบ ว, ว่าจิตของเรานั้นเหมือนกับลิงตัวหนึ่งสังเกตดูลิลิงมันจะไม่อยู่นิ่งกับที่มันจะโผนไปตามสิ่งไม้ต่างๆ จากเิ่งนี้ก็ไปเข็มนั้นจากเข่งนั้นก็ไปเ่งโนู้นไปอยู่เรื่อยๆจิตของเราก็เช่นกันจิตของเราก็จะไม่อยู่นิ่งเฉยจิตจะคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนู้นต่อไปอยู่เรื่อยๆวันวันหนึ่งถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆนี่ถ้าเราสังเกตดูจิตของเราเราจะเห็นว่าจิตของเรานี่มีแต่คิดอยู่เรื่อยๆไม่เคยนิ่งอยู่เฉยๆเลยแม้แต่สักครู่นึง เพราะว่าเราไม่เคยฝึกรู้สอนให้จิตให้อยู่นิ่งๆนั่นเองแม้กระทั่งเด็กๆที่เกิดมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันลองจับให้เด็กนั่งอยู่เฉยสักครู่เดียวเขาก็จะนั่งอยู่ไม่ได้สาเหตุที่เขานั่งอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตของเขาไม่นิ่งนั่นเองจิตเขาถูกความอยากคอยผลักให้เขาคิดให้เขาอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะลุก ถ้าเขาลุกเขาก็อยากจะไปทางนู้นถ้าอยู่ทางนู้นเขาก็จะอยากมาทางนี้นี่ก็คือลักษณะของจิตที่มีตัณหาคอยเป็นเครื่องผลักดันอยู่ดังนั้นเราจึงต้องมาทวนกระแสของจิตที่ชอบที่จะคิดเรื่องนุ้นเรื่องนี้ไม่มีรู้จักไม่ไม่รู้จักหยุดกย่อนด้วยการทําสมาธิ คือการกำหนดจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกเจริญกับเราอารมณ์ที่เราใช้ผูกจิตนี้อาจจะเป็นบทสวดมนต์ก็ได้เช่นเราสวดมนต์บทอิติปิโสอรหันสัมมาสวาดิ์ขาโตจุปาติปันโนอย่างนี้ก็สวดไปแต่ขอในขอให้ในขณะที่เราสวด น, นั้นขอให้เรา ตั้งใจสวดจริงๆคือให้ใจเราอยู่กับบทสวดสวด น, นั้นๆจะสวดออกเสียงก็ได้จะไม่สวดออกเสียงก็ได้จะลืมตาก็ได้ไม่ลืมตาก็ได้จะจุดธูปเทียนก็ได้ไม่จุดธูปเทียนก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือจะนั่งพักเพียบก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจะต้องมีสติรู้อยู่กับบท ที่เราสวดไม่ใช่สวดไปแล้วในขณะเดียวกันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไม่ทำให้จิตนั้นสงบไม่ทำให้จิตนั้นหยุดนิ่งได้แต่ถ้าเราสวดอย่างเดียวมีสติรู้อยู่การสวดโดยที่ไม่มีโดยที่ไม่มีความคิดหรือไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนานาให้รู้อยู่อย่างนั้นแล้ว ไม่ใช้ก็เร็วจิตก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงต่างๆก็จะค่อยสงบตัวลงไปอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงหรือความวุ่นวายใจความว้าวุ่นขุ่นงัวต่างๆนั้นล้วนเกิดจากการคิดปรุงของจิตคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความปวงความไม่ตก เกิดความกังวลใจขึ้นมาถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราเคยคิดถึงอยู่เคยวิตกเคยกังวลอยู่ก็จะหายไปจากใจของเราเมื่อเรื่องราวต่างๆนั้นหายใจหายออกไปจากใจของเราอารมณ์ต่างๆเครื่องเศร้าที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความว้าวุ่นสุนวัวก็จะหายไปจิตก็จะค่อยๆ ใสขึ้นมาสะอาดขึ้นมาค่อยๆสงบค่อยๆนิ่งขึ้นมาถ้าหลังจากที่เราสวดไปได้นานพอสมควรแล้วเกิดรู้สึกว่าไม่อยากจะสวดต่อไปเราก็ลองกำหนดดูลมหายใจดูดูลมเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจออกโดยกำหนดดูอยู่ที่จุดที่ ลมสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกหรืออยู่เหนือริมฝีปากขึ้นมาขอให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ไปเรื่อยๆตามลมไปคือให้รู้ให้รู้ลมแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปหรือไม่ต้องตามลมออกมาให้รู้อยู่ที่จุดเดียวถ้าตามลมเข้าตามลมออกจิตก็จะทางานจิตก็จะไม่นิ่งต้องให้แห่งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัด หรือถ้าเราไม่สามารถกำหนดที่ปลายจมูกหรือที่เหนือริมฝีปากขึ้นมาถ้าเรารู้สึกว่าลมอยู่ที่การ อ, อกเราเราก็กำหนดอยู่ที่ตรงท้ำการ อ, อกเราก็ได้เวลาลมเข้าเราก็จะรู้สึกว่ามันท้องขึ้นมาเวลามันลมออกก็จะยุบลงไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ขอให้มีสติรู้อยู่กับอาการของอาการเข้าออกของลมก็พอโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไร และถ้าจิตถึงเวลาที่จะรวมลงสู่พวางพรจิตคือรวมรวมลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิมันก็จะลงของมันโดยปัตโนมัติมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปถักดันบังคับให้เขาลงได้แต่วิธีที่จะทำให้เขารวมลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้นั้นก็เกิดจากการที่เรามีสติและเลืกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละขอให้รู้อยู่เท่านั้นแล้วอย่า ส่งจิตไปสู่เรื่องอถ้าเกิดจิตเกิดเริ่มคิดเริ่มพิจารณาขึ้นมาอีกก็ลองใช้บทสวดสวนมนกลับเข้าไประงับความคิดนั่นเสียทําอย่างนี้สลับไปสลับมาจนกว่ า, าวจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งขณะที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นในขณะนั้นความคิดปรุงต่างๆก็จะสงบตัวลงไปการรวมลงของจิตนี้อาจจะรวมลงไปลึกหรือไม่ลึกก็ได้ ถ้าลงไปลึกในร่างกายความรู้สึกว่าร่างกายนี้ก็หายไปเลยไม่มีขนาดนั้นเหมือนกับโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่สักแต่ว่รู้อยู่เท่านั้นมีจิตอยู่ตามลำพังเป็นเอกตาลงเป็นอุเบกขานิ่งเฉยอยู่ในขนาดนั้นไม่รู้เรื่องราวอะไรภายนอกของร่างกายหรือแม้กระทั่งร่างกายก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยนี่เป็นการรวมลงอย่างเต็มที่ของจิต แต่ถ้ารวมในขณะที่ไม่ไม่เต็มที่ก็<ม>าอาจจะได้ยินเสียงอาจจะยังรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่แต่ในขณะนั้นจิตไม่สนใจกับเรื่องอะไรจิตพอมีความพอใจที่จะนิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นและในขณะนั้นอารมณ์ของจิตก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความเบาถ้าจิตอยู่นอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็ขอให้อย่ายไปยุ่งกับจิตในขณะนั้น เพราะเป็นสภาพที่เราต้องการให้จิตอยู่ไปนานๆเพราะถ้าอยู่ได้นานๆเท่าไหร่จิตก็จะมีพลังมีมีความสามารถที่จะต่อต้านต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในภายหลังได้ดังนั้นขณะที่เราทําจิตให้รวมลงสู่ความสงบเต็มที่แล้วเราอย่าไปกังวลว่าถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเมื่อไหร่ดี การจะเจริญวิปัสนาหรือปัญญานี้ต้องรอให้จิตถอนออกมาก่อนจิตต้องออกมาจากสมาธิออกมาจากความนิ่งความสงบเสียก่อนถึงค่อยเริ่มเจริญวิปัสนาการจะเจริญวิปัสนานี้สามารถทำได้ในทั้งอิริยาบถ ท, ทั้งสี่จะในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นก็ทำได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้หรือยืนอยู่เฉยๆแล้วพิจารณาไปก็ได้ หรือแม้กระทั่งอยู่ในเอริยาบทนอนก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าเอริยาบทที่จะให้ผลดีที่สุดก็ควรจะเป็ น, นเอริยาบทนั่งหรือหรือเดินจงกรมจะเป็นผลที่ดีกว่าเพราะถ้ายืนอยู่เฉยๆก็อาจจะเกิดอาการเมื่อยขึ้นมาได้หรือนอนก็อาจจะหลับไปได้เผลอหลับไปได้แต่การเจริญวิปัสสนานี้จะต่างกับการการทําสมาธิเพราะ จุดหมายของการทำสมาธิก็คือต้องการให้จุดให้จิตนี้หยุดดิ่งไม่คิดอะไรเราจึงต้องผูกจิตไว้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่การเจริญวิปัสสนานี้กับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสมาธิเพราะการเจริญวิปัสสนานี้เราต้องการทำความเข้าใจกับสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรความจริงของเขาเน้นเป็นอย่างไรธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไร เราจึงต้องพิจรารณาเราต้องคน้นต้องคิดดังนั้นการเจริญวิปัสสนานี้เราไม่ต้องการที่จะอยู่จิตแต่เราต้องการใช้จิตนี้มาคิดให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริงของเขาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพิจรารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาคือให้เห็นใจรักนั่นเองให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกกายกใจหรือแม้กระทั่งกายและใจตอานั้นล้วนเป็นใจรักทั้งสิ้นคือมีคุณลักษณะอยู่สามประการได้ แ, แก่อริจาทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยมเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวตนนี่คือสภาพความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ หรือธรรมารมที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นหรือลาบยศสรรเสริญกามสุขทั้งหลายก็ล้วนเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากก็ต้อง ต้องให้เห็นว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เราไปยึดไปติดไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายกลับไปคืนสู่สภาพเดิมมันมาจากอะไรมันก็ไปจากมันก็กลับไปสู่สิ่งนั้นและสิ่งที่มาก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือธาตุสีน้ำเงินไฟนั่นเองส่วนใจเป็นธาตรู้ก็แยกออกจากธาตุสี ถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาความอยากแล้วใจนั้นก็ไม่ไปแสวงหาร่างใหม่ต่อไปก็เป็นใจที่บรรลุถึงพระนิพพานเป็นใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่านได้ตัดตัณหาความอยากหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะผังดันให้ใจนั้นไปเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าใจที่ยังมีตัณหาหลงเหลืออยู่ ก็ยังจ ะ, จะต้องไปเกิดอีกต่อไปนะนี่แหละก็คือเรื่องราวของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราจะต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดมันจะต้อง